เรื่อของทานอาจารย์หาบัวยาชั้นโทแสดงที่วัดป่าบ้านกามจัวัดอุดรธานีแต่นักหมอห่วยเมื่อคืนวันที่13เมษายนต่อคด500ครับบคุ่านขอบคุณทุ ถายัายางไม่ได้ศึกษาประสบารณ์การไปกินของ ส, สงากต่างหาให้แน่นอนไปเลยก็เข้าใจว่ามึอยู่ในที่หังใดท า, ง า, า, าง้งนี้นกาสจะถึงาก็ต้องมีทางผ้าน้างตัดเลย ท, ทังราก็เกนก็ไม่มหลักศาสนาก็เทียบกันด้เลยนะอาจจะเข้าใจว่ามีอยู่ในวัดไงล่ะมีอยู่ตามคำทีไตรลักษณแล้วมีอยู่ที่ประเทศนั้ประเทศนี้โดยแม้แต่เข้าใจว่ามีอยู่กับ เรื่องตัวตัวไปเพราะคำว่าศาสนาข้อใดแ ก, การข้ามตอนหรือการปรับปรงุงสิ่งที่ยังเห็นว่าไม่เรียบร้อยให้เรียบร้อยสิ่งที่ยังไม่เปล่งงามให้เปลงงาม เมยจนเข้ามาแล้วศาสนาก็คือเรื่องของเราทั้งหมดแต่และทันละทันการกระพึกครุกได้ไม่ว่าทางโลกและทางศาสนายัะอื่นยอมจะมีธรรมะคือสิ่งที่รับรองแล้วเป็นผู้ที่เป็นธรรมชาติที่มีแนวทางให้เพื่อดำเนินโดยถือต้อง อยู่ทุกแง่ทุกมุงถ้าภูยังเห็นความจำเป็นในความประพฤติที่ปรากฏไปทางดีทางชั่วจะมีเป็นของกตัญคูอยู่นะเรื่องศาสนาก็เป็นของกตเป็นเท่าเทียมกัน เพราะจะชี้ช่องบอกทางทั้งทางผิดและทางผิดทั้งทางกายและทางวาจาตลอดทั้นทางผิดเพื่เป็นเรื่องของศาสนาธรรมจะที่บอกเพื่อทางเดินและเบี่ยงเนในทางผิดผิดซึ่งจะรู้อะไรออกทางกายวาจาใจและนำในทางที่ถูกเพื่กับได้ปฏิบัติได้เกิดขึ้นปฏิบัติแห้เป็นผล ขึ้นมาเป็นที่ถิงของกันดันั้นหลักศาสนากับเราจึงแยกจากทันไม่เมื่อความสุขความทุกข์ความดีความชัว่วยังเกิดมีอยู่กับความกระพฤิผิดปกติกราบใดแล้วหลักศาสนาก็คือเรื่องเหล่านี้เองไม่ใช่เรื่องอื่คำว่ากรรมแปลว่าการกระทาการกระทาถ้าไม่เอากายวาจาใจเป็นเครื่องกระทาแล้ว ไม่มีอันใดจะเป็นบอ่อเกิดของกรรมาะและไม่มีสิ่งใดจะเป็นผลปรากฏขึ้นมาจากสาเหตุที่ทำฉะนั้นทา่านจึงได้สอนเรื่องกรรมดีกรรมชั่วคือการทําดีทําชั่วและบอกวิธีทำํำบอกวิธีละเม้นที่บอกวิธีละเว้นและบอกวิธีทําก็ เือผลอันดีสำหรับเราผู้สนใจต่อความสุขความเจริญทุกด้านไม่ว่าทางโลกและทางธรรมนี่คือหลักของศาสนาพิจารณานะท่านกล่าวไว้ว่าพุทธศาสนานี้ไม่บังคับเนื้อแต่ใครจับเครื่องถือไม่เคื่องถือกระเพืตามหรือไม่ประเพตักนั่นเป็นส่วนกลางของหลักศาสนาทึ่มีความสมบูรณ์อย่างพอตัวแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องอาศาัายความสงเสริหรือการทำหนึ่จากผู้ดใดหรือผู้ใดขึ้นมาเป็นเพื่อนยอดแสงเนื่นนนสสนนองยอดแสงแลจับจาตใจแต่เป็นศาสนาจิตสมบูรขึ้นมาก็เิตยอดแสงนั้นแต่เป็นศาสนาที่มีความสมบูรณ์อย่างพอตัวอยู่แล้วทางตัวเองฉะนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องอาศาายัยสิ่งใดมาส่งเสริมหรือมากดจิตสมกับหลักศาสนาว่าเป็นศาสนาที่ทรงความจริงไว้อย่าง รอรอบหรืออย่างพร้อมมือแต่เราจะคำาิงนี้อย่อง่าศาสนาไม่ใช่เป็นการบังคับใครจะนับถือไมมนับถือก็ได้นั้นโดยไม่ได้สนใจต่อผลที่ตนจะถึงหวังนั้นจะเกิดขึ้นจากเหตุผลอันใดแม้ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ไม่บังคับใครให้นับถือก็าตามแต่เราปุ่ม เราสามารถดําเนินตนให้เต็มไปเพื่อความสุขความเจริญโดยลําพังตนเองซึ่งไม่ต้องอาศัยศาสนาหรือคาสอนนั้นมาเป็นเครื่องสองทางหรือเคแนะนำแนวทางให้ให้ก็ดีอยู่ถ้าเราไม่อาศัยถ้าเราสามารถอย่างนั้นแต่นี้เราทุกคนไม่สามารถที่จะดําเนินตนโดยลําพังตนเองได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องรับรองจากพระพุทธเจ้าเป็นาศาสนาที่แท้จริงเข้ามาเป็น แนะนำแนวทางให้เราเมื่อเป็ น, น่นันใจเรามีความเชื่อมัน่นหรือมีความเลื่อมใสต่อพระศาสนาน้อมใจของเราเพื่อประพฤติพระพุทธศาสนาก็จําเป็นจะต้องบังคับใจเราเนาาื้ศาสนาท่านจะสอนไว้ต่างๆ ก, ก็ตามแต่เราผู้นับถือพระพศาสนาเมื่อได้นําศาสนาเข้ามาถึงตัวแล้วที่จะต้องบังคับเช่นท่านสอนไว้ต่างๆว่า ท, ท่านตูความอดทนวิริยะความเพียรนี่เป็นคำสอนของทานเมื่อตกเข้ามาเป็นสมบัติของเราก็ต้องแปลว่าเราต้องเป็นผู้อดทนเราต้องเป็นผู้มีความเพียรหรือทันว่าละความชั่วทำความดีนี่เป็นคําทางกลางเมื่อตกเข้ามาเป็นสมบัติของเราแล้วคือเราได้น้อมนับหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาดําเนินแล้วเราต้องแปล อ, อีกอย่างหนึ่งว่า เป็นคำยอ่ยอๆอ่ะเราต้องเราต้องระทวดเราต้องทำดีนี่เป็นเครื่องบังคับสำหรับเราสำหรับศาสนาแล้ววางไว้ต่างๆพอเราน้อมเข้ามาเป็นสมบัติของเราคือเราเป็นพุทธมามกะหรือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติของเราแล้วเราต้องบังคับตัวของเราเข้ากำลังทำ ไม่เป็นนั้นจะเป็นพุ่มทําขึ้นมาในการวาจะจันไม่หลักมีเป็นหลักอันหนึ่งสำหรับเราเมื่อจะเทียบภายนอกนอก็เช่นอย่างอาหารอาหารเป็นของมีรสอะไรอร่อยก็ไม่ได้บังคับใครให้รับทานแต่ผู้หนูจําเป็นจะต้องมีหน้าที่รับทานหรืออยากจะปุงให้ อ, อร่อยเท่าไหร่ก็ต้องเป็นหน้าที่ของตัวจุกการงานทุกอย่างไม่ได้บัง ทับบัญชาใครให้ทําแต่ผู้ต้องการสมบัติจําเป็นจะต้องถืองานเปงของสําคัญเมื่อถืองานเป็นของสําคัญแล้วต้องบังคับทนใส่งังจะหนักก็ต้องเอาเบาก็ต้องผลทันติความอดทนยุยะความภาคความเพียนท่านสอนไม่เป็นต่างๆเมื่อตกเข้ามาเป็นสมบัติของเราแล้วเราต้องเป็นผู้อดทนต่อหน้าที่ทางงานที่ตดเห็นว่าเป็นประโยชน์และมีความภาคเพี่ยนไม่ยอดท้อต่อหน้าที่ทางงานที่ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์นั้น มีเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติต่อทำต้องเป็นผู้บงังคับไปเลยมีพูดถึงส่วนดีพูดถึงส่วนไม่ดีสึงไม่ดีเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้บงังคับคนให้ทําเหมือนกันมาฉันเป็น ส, สิ่งที่ชั่วท่านทั้งหลายอย่ามาสนใจและอย่ามาดำเนินกับทางความส่วนนีน้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้บังคับบัญชาแต่พูดทําลงไปก็ต้อง ได้รับผลตอบแทนมีหลักธรรมข้อเช่นนั้นทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจึงต้องอาศัยกันบังคับเหมืนกันในข้อนี้เราทั้งหลายได้ยินมาเป็นเวลานานว่าศาสนาคุกไม่บังคับใคนั่นเป็นลหลักของศาสนาคึกมีความพอตัวเองเลยต้องบุแต่เราเวลานี้ยังไม่เป็นผู้พอตัวยังมีความบกเข้าความรู้ความฉลาด ความครบถึกปฏิบัติทุกห้าทั้งทางโลกทางธรรมยังไม่สมบูรเท่าที่ควรซึ่งพอจะดำรงทนอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักธรรมะเข้ามาผลิการเป็นต้องอาศัยหลักธรรมะเข้ามาที้ช่องบอกทางทุกยุคยุ่ทางไม่ว่าทางโลกหรือธรรมการประกอบทางโลกทำมิทำเป็นเครื่อส่งเสริมก็เป็นไปเพื่อความเดินได้เรียบร้อย เ็นราศึกษาเราเรียนวิชาความรูข้ขางแนหงใดๆเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรสนใจต่อหลักวิชานั้นๆนอกจากนั้นแล้วเรายังต้องนำหลักวิชานั้นมาปฏิบัติให้เป็นผลประโยชน์แก่ตัวของเราเองเหล่านี้เป็นหลักของธรรมะที่เกี่ยวข้องอยู่เท่านั้นทำอะไรต้องมุผลประโยชน์เป็นสิ่งต่อบแทนขึ้นมาผู้ปฏิบัติทางธรรมะล้นวนๆต้องกลุ่มมีความสนใจให้ทานรักษาศีลภาวนา ก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรได้ผลคลไม่กลัวแต่ความตื่นเตือนและไม่ฟะไม่กลัวแต่ความลำบากจะลำบากโดยการระวังรักษาสิ่งของตนก็ดีจะลำบากโดยโดยการนั่งภาวนาหรือ ก, การบังคับสตจก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างพามอาศัยการดัดแปงจะสําเร็จผลไึ้มาให้เป็นที่พอยใจนั้นย่อมเป็นไปไมในะครับตพออาศัยการกระดับตกแต่ง จึงจะเป็นผลเท่าที่ควรี่เราที่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็เพราะความรู้สึกของเรานั้นยังไม่เพียงพอในความใชี่ยฉลาญคือจะปฏิบัติต่อตนเองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าที่กำลังจะก้าวเข้าไปอยู่เสมอทุกๆเดือนทำมาโลกนี้โลกหน้าก็เทียบกันกับวันนี้วันหน้าแล้วเนีนเ วันนี้ผ่านไปวันหน้าเขาผานเข้ า, ขามาคืนนี้ผ่านไปคืนหน้าเขาผ่านเข้ า, ขามาในบุคคลคนเรืนี้เรื่องคบนี้คบหน้าก็คือใจตรงนี้คือผ่านมาแล้วก็คือใจตรงนี้ขณะที่อยู่ณนะนะบัดนี้มีรูปร่างปรากฏและมีใจครองอยู่นี้ก็คือคบนี้จากที่แล้วก็จะก้าวไปคบนออนปปนนหน้นาต่อไปจนระดับระดับตรนี้มีการจะก้าวไป ต้องอาศัยความค่าอาศัยการดัดแปลงอบรมตนเองเพื่อสืบทางไมาเสียตั้งแต่ปัดนี้เมื่อจิตของเรามีความเคยชินต่อผลงามคําดีโดยอาศัยการฝึกคือการอบรมการบังคับบัรพามตนเองจนเป็นความเคยชินต่อจิตใจแล้วใจย่อมมีความรักใคร่ต่อหน้าที่ของตนที่เคยทำเมื่อเป็นเช่นนั้น จะไปโลกหน้าครอคือใจที่มีความค่องแคล่วด้วยทุน ง, งามความดีอย่างนี้ไม่ใช่ดวงอื่นดวงใดจะมาเชื่อแขงและกลาเลยเป็นหีขึ้นมาแต่ใจดวงที่เคยจริงต่อตัวเองนี้โดยเฉพาะออย่างนิ่งการอบรมใจให้เห็นผลประจักษ์กับตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งพระพุทธเจ้ายกว่าเป็นปฏิบัติบูทาอย่างนี้งขา้มาปฏิบัติบูทาได้จากการกระทำตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีการรักษาศีลการภาวนาเป็นต้นนี่เป็นหลักอันดับการอบรมจิตใจไ ด, ได้เคยอธิบายให้ฟังพอสมควรเข้าใจว่าจก การเข้าใจและปฏิบัติตามได้พ อ, อเพียงจิตที่มีความสงบเป็นอย่างไรบ้างเราก็เห็นแต่จิตมีความพุ้งซ่านจิตได้รับความทุกข์ความเดืดร้อนข้อติดต่างๆมากระทบกับจีตอันนี้เราขอทราบนันแล้วแต่จิตที่มีความสงบเยือกเย็นมัายภายในตัวมีอะไรเป็นปัจจัย มีอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นเครื่องสนับสนุนด้จึงได้รับพรมสงบเยือกเย็นเฉิประจักรกระึงเสมอหนึ่งเป็นหนักที่เกิดขึ้นจากการภาวนาโดยเฉพาะขณะที่เราภาวนาจะเดินภาวนาต่อตามนั่งภาวนาต่อตามนอนภาวนาก่อตามการภาวนาก็คือการบังคับใจนั่นเองใจที่เคยคิดวุ่นวายแต่ตามสิ่งต่างๆทั้งดีทั้งชั่วทั้งอดีตอนาคต แต่การภาวนานั้นหมายถึงการบังคับจิตไม่ใหส่งไปตามรักษากรรมหรือไม่ใหส่งไปตามอัมพรใจมือทำเป็นร้วกันรักษาจิตใจไม่ออกไปตามความต้องการของคนที่เคยเป็นมาถ่าจึงสอนให้ภาวนาด้วยบทธรรมบทใจก็ตามขอให้ทำด้วยความตั้งใจเช่นเรากำหนดอนาคานาสติก็ให้มีสติกาหนดรู้อยู่กับลมของลน ลมจะหาจะเข้าหรือจะออกให้มีความรู้สึกแนละล ม, มปรากฏกระทบในอวัยวะส่วนใดมากขณะที่หายใจเขาออกออกบโกรธกำหนดเอาสถานที่นั้นรู้จุกนั้นเป็นความทามความรู้สึกไว้กับจิตนั้นมีเป็นหนักสําคันที่สร้างจิตเป็นต้นสร้างหวังนา้ภาวนาด้วยลมหายใจบางครั้งอาจจะมีปุอจิ ถ้ากล่าว่าใจจะขาดใจก็มีเป็นความอึดอัดภายในใจนั่นเราก็ไม่ตั้งข้อขังวนกับทำเป็นเช่นนั้นแต่ขอให้ทำความรู้สึกอยูกับลมลมจะหยาบละเอียดจะแสดงอาการอึดอัดหรือสะดวกสมาขึ้นมาภายในลมก็ตามให้ทำความรู้สึกอยู่กับ ล, ลาาน ม, มาา น, ลำำบลนั้นเสมอเราไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอย่างใดอย่า ง, งหนึ่งยึดเป็นอันตรายขึ้มาเพราะการก่อนหนานั้นจะไม่เกินไปอย่างนั้นเลย เมื่อบิดได้รับการระมัดระวังหรือบังคับปัญชานด้วยสติแล้วจะเท่าสู่ความสงบคือไม่ทรงไปตามอำเภอยยใจดังที่เคยเก็นมาจิตคือมีความสงบโดยไม่ต้องอาศัยอันใดเป็นอารมณ์เพื่อความสงบนั้นะนอกจากอาศัยธรรมะที่เรากำลัง นำมากำกับสิทธิ์เนั้นจิตตัวเปียที่มีความสงบด้วยธรรมะกดใจกดเหงื่อมีอนาตารณ์สิทธิเป็นตนนี่แหละคือผลของการภาวนา็นเป็นความสุขขึ้นมาที่จักความสุขะพรมสงบนิจะปรากดเด็นอยู่ด้วยความรู้โดยเฉพาโดยมนิยมว่ารู้รูกหรือรู้เสียงรู้กินหรือรู้รสอะไแต่เป็นความรู้อันชัู่นอยู่ภายในตัว ไม่มีสิ่งมากเกี่ยวข้องอั น, นใดให้เป็นการกระทบกับการติใจมีทันเรียกว่าใจมีความโลดด้วนองคทางมีเป็นความสงบเปื่อตกลงจับที่รับผลจากการภาวนาเมื่อมาจากการบังคับติดใจของตนงแต่การบังคับใจนี่รู้สึกจะเป็นภาระรอยู่มากในเมื่อเรายังไม่เคยดพอเมื่อได้เห็นผลแล้ว ภาระที่เราเคยถือว่าเป็นสิ่งที่หนักก็จะค่อยเบาลงไปเป็นลนนํำดับมีแต่พานสนใจใครที่จะ ท, ทําจิตของคนให้เป็นขนอยู่เช่นั้นสมอยิ่งยิ่นไปกว่านั้นอีกหากว่าธรรมะไม่แสดงคามแปลประหลาดคืออัศจรรย์ให้แก่ท่านผู้บําเพ็ญก็จักษ์ับใจแล้วศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่ตั้งอยู่กับโลกดีรังถาบอน เป็นศาสนาพุทธของเรานี้ได้ถึง 2,500 กว่าปีแล้วจะอันตราธานไปนานเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในนี้นี่ก็เพราะว่าหลักเหตุคือการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระโพธทธัตและผลคือเป็นจริงจืดจืดเมื่อมาจากการปฏิบัติมีปฏิบัติรอบนั้นเป็นจริงที่ปรากฏอยู่กับใจของผู้บำเพ็ญโดยลาดับมาไม่โดยไม่นิยมมาญิงมาขาย ฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธเจึงยังสืบทอดมาถึงพวกเราตลอดมาและยังจะมีต่อไปอีกเรื่องจากผู้ที่จะปฏิบัติและเห็นผลตามหลักธรรมนั้นยังมีอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยในหลักการปฏิบัติเบื้องต้นได้ทิบายถึงเรื่องภาวนาเพื่อใจให้มีความสงบดาเนินตั้ หรือผู้จะกำหนดพุทโธพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับธรว่าพุทโธเมื่อบิดมีความละเอียดเข้าไปธรว่าพุทโธกับความรู้นั้นจะคงคืนเป็นอันเดียวกันจนกลายเป็นอันว่าพุทโธกับจิตก็คืออันเดียวอันเดียวกันหือเป็นจิตที่สงบธรว่าพุทโธกับความรู้สึกนั้นคงคืนเป็นอันเดียวกัน หรอคือผู้มีความสงบเพื่อพุโทโธขณะคี่จิตสาบดตัวเองว่าคัมมาพุโทโธกับความรู้สึกเป็นอันเดียวกันนั่นนั่นคือจิตสงบเราจะหยุดทำบริกรรมนั้นเสียก็ได้เหลือแต่ความรู้ที่เด่นชัดอยู่เป็นองค์พุโทโธแท้ไม่ใช่เป็นแบบอย่างคัมมาพุโทโธเพราะคัมมาพุโทโธนั้นเป็นเหมือนกันกับถ้าเราจะเทียบภา ย, ภายนอกก็ เหมือนเงือ่เรือล่อปลานั่นเองคนเขาที่ไปตกปลาเขาไม่ต้องการเหยื่อแต่จําเป็นจะต้องเอาเหยื่อมาเป็นเครื่องสำหรับให้ปลาติดเด็ดเมื่อปลาติดเด็ดแล้วเขาประจ่าทอปลาเหยื่อนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรที่เขาจะต้งจับนีําว่าพุทโธเป็นธรรมประเภทหนึ่งแต่เป็นเครื่องที่จะทําจิตของเราให้กลมกลืนกันกับคําว่าพุทโธนั้น เมื่อจิตกับพุโทโธได้เข้าคงคืนเป็นอันเดียวกันแล้วคําว่าพุโทโธก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับเหดียรอดละเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนปรากฏอยูกับตัวเองนี้คือองค์พุโทโธแน่จะเป็นองค์พุโทโธได้นานเท่าไหร่จ ะ, สะแสดงความอัศจรรย์โดยลทาทังตนเองซึ่งไม่ต้องเชื่อข้องกับอะไรอีกต่อไปแล้วเป็นเวลานานเท่านั้นนึ่งยิ้ี่ทุตตัดอบรมจิตใจ ให้เห็นผลกระจักด้วยการปฏิบัติของส่วนต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อใจมีความเคยชินต่อการอบรมนึกธรรมาพุทธพรนลกธรรมาพุโทโธพุโทโธติดกับพุโทโธจะเชื่อมถึงกันเลยรู้ว่าเองต่อจากนั้นแล้วเราจะนึกพุโทโธหรือไม่นึกก็ออตามความรู้ที่ปรากฏคง เป็นความรู้สึกอยู่เฉพาะนั้นจะปรากฏอยู่ภายในใจของท่านผู้บำเพ็ที่มีหลักพุโทโธประจำตัวแล้วคือหลักพุโทโธในธรรมาชาติจะเดินไปไหนมาไหนก็จะปรากฏความสงบสีคอองคของพุโทโธนั้นไต้กักับใจอยู่เช่นนั้นเองหีเราจะไม่ต้องนำคำาิธีกรรมอันใดมาทำกะหน้า เพราะจิตมือานที ish, Honestly, mm ่ตั้งของความสงบเป็นภัพเคือยู่ภายในแต่ระเรามีความขยันเพื่อความสงบอันนี้ให้ยิ่งขึ้นไปเท่าไรจุดอันเด่นดวงคือพุทธะตรงนี้ยิ่งจะมีความเด่นและละเอียดไปเป็นลํำดับท่านเรียกว่าจิตมือสมาธิเคลื่นคลืนได้จะงจุดดวงรูนี้รวมสึดตัวเองนั่น แม้จะส่งกระแตไปภายนอกเพื่อการคิดการอ่านเกี่ยวกับหน้าที่การงานอันใดก็ตามแต่ฐานที่ตั้งแห่งความรู้นั้นจะปรากฏเป็นดวงอยู่ภายในใจแม้จะไม่รวมเป็นสมาธิกเหมือนอย่างขณะที่จตดวงลงก็ตามนีม่คือเนื้อฐานของสมาธิหรือคานสงบเป็นเช่นี้เมื่อสงบเข้ามากก็ทําให้ตัวผู้บำเพ็ญ ใ, ให้ผู้บําเพ็ญ น, นั่นเผย เพนท่านกลางวันกลางคืนนั่งสมาธิเป็นเวลาหลายชั่วโมงไม่อยากจะออกพอออกมาแล้วจิตมีความกระทบกับเสื่อมกับสิ่งนั้นสิ่งนี้รู้สึกให้ไว้สมายถ้าเข้าไปอยู่ข้างในความรู้เดี๋ยวจพอแล้วรู้สึกสบายไม่อะไรมาทำจิตใจให้กระเพื่อมตรงจะแบบควารู้ข้างนอยู่โดยเฉพาะและมีความเยือกเย็นสบายเกิดความตื่นเติมยืนภายในนั้นตลอดเวลา เราะฉนั้นผู้บำเป็นจิตคอเป็นสมาธิแล้วจึงมีทางที่จะติดสมาธิได้โดยที่ตนไม่สามารถจัดภาพผลอั น, นยิ่งกว่านี้ไปอรือว่าจะมีอย่างไรบ้างต่อไปอะไรถืออาความสงบอันนี้ว่าเป็นหลักสําคัญเลยไม่ต้องสนใจกับปัญญาที่จะต้องค้นฟ้าหาเสตุผลที่มีความเกี่ยวข้องกับใจที่มีความติดพันกันอยู่อย่างลึกซึ้งแค่ไหน เลยเข้าใจเสียว่าพุทธะตรงนี้แรละจะเป็นนิพพานขึ้นในจุดนี้โดยไม่จำเป็นจะต้องพารณาคน้นพระอะไรเรื่อขอดถอนอะไรอีกต่อไปแล้วนี่ผู้บางเป็นสมาธิจึงมีทางศีลใจอย่างนี้เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วเท้าที่ควรขณะที่สิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วนั้นให้ปัญญาพิจนาดับพัฒน า, าตามรูปคือตายของเรา โดยทางใจลักทางใดทางหนึ่งก็ตามจะพิจารณาเวทนาทัญญาทังฐานวิญญาณโดยทางใจลักทางใดทางใดทางหนึ่งเพื่อนิจังทุกขังนาตก็ตัดนี่ทันเรียกว่าเป็นทางออกของจิตและเป็นทางก้าวขึ้นไปสู่ความละเอียดของสมาธิจิตดเป็นความละเอียดของทางปัญญา ของจุดๆด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นคําว่าสมาธิกับปัญญาจึงเป็นทำเกี่ยวเนื่องกันแต่สําคัญในการที่จะควรใช้ไม่ได้ใช้ในเวลาเดียวกันเช่นขณะจิตมีความสงบพักตัวอยู่จะนานเท่าไหร่ตอนนั้นไม่แสะซ้องปล่อยให้มีความสงบเพื่อยียดจิตไปนั่นพอถอนขึ้นมาแล้วให้ดําเนินทางปัญญาหรเรียกว่าทํางาน ปัญญานี้กว้างฝัางมากแต่เป็นไปตามผูกปายของผู่หยุเถ่าหรือผู้บำเพ็ญจักพิจารณาไปตามเจิติสายขันของหนึ่งมีาต่างครับเมื่อรวมความแล้วก็มาอยู่ในวงของแตรลละหรืออยู่ในวงของอายสันติอันเดียวกันเป็นเดียวกับคำว่า ง, งานจะเป็นงานประเภทไหนก็ตามขอให้ขนเข้างานที่สาเร็จมาแล้วเป็นจวลเงิน หรือสำเร็จการของกิจเรื่อนั่นแั่เป็นกางที่สุดยอดให้ําเร็จกระโดดจากตนั้นเรื่องของปัญญาที่พิจารณาก็ือลักษณะเช่นเดียวกันการพิจารณา ด, ด, ด้วยปัญญาคือการถอดถอนเรื่องของสมาธิเป็นเหมือนกันเราเรานําตัดมารวมไว้ในตัวเดียวเราจะเอาตัดตัวไหนเป็นห้า เราจะฆ่าตัวไหนเราจะทําอาหารประเภทใดเราแยกออกไปแยกออกไปนือเป็นเรื่องของปัญญาแม่ครัวจะทําอาหารประเภทใดก็แยกออกไปของผู้หญิงนายตะกร้าหรืออยู่ใ น, าในภาชนะเพื่อนํามารวมเอาไว้เราจะต้องการทำครัวประเภทใดอาหารประเภทใดแยกออกไปแยกออกไปครัดนี่ลักษณะของปัญญาก็คลี่คายออกไปจากสิ่งนี้สมาที่ นําอารมณ์เข้ามารวมเป็นจุดเดียวแล้วแยกออกไปด้วยปัญญาจะนา่าเห็นชัดตามหลักความจริงที่มีอยู่รูปคือส่วนร่างกายของเรามันแปรปรวนอย่างไรเราเห็นแต่เรื่องแปรปรวนด้วยเห็นด้วยตาของเราความแปรปรวนให้เห็นด้วยปัญญานี้เรายังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาให้เห็นชัดในเรื่องความแปรปรวนถ้าเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจับเป็นเหตุให้กรโดดสังเรกต ยังทํารู้สึกเท่าถึงของจริงจริงแล้วไม่ตื่นเต่นกับสิ่งที่แปรปรวนไปเขาเกิดก็ไม่ดีใจเขาตายก็ไม่เสียใจได้มาก็ไม่ดีใจจนลืมตัวเสียไปก็ไม่เสียใจจนเลวเสียเพราะความรู้ก็ทั้งการมาการไปการตั้งอยู่หรือการสลายไปนี่ต้นกับปายปัญญาสามารถทราบซึงไปหมดแน่เรื่องส่วนในร่างตายทั้งภายนอกภายใน เมื่อปัญญาได้อย่างทราบแล้วก็จะหมดความติดเต็มๆ น, นั้นเหมือนกันเท น, นาคือความสุคมกความทุกข์ความทุกข์เลยมีได้ทั้งทางกายและทางใจปัญญาก็สามารถจะภาได้ทั้งสามเมา衲ปัญญาทั้งสามดวงวิญญาณแต่ละอย่างเลยซึ่งออกมาจากใจหากว่าปัญญาไม่รอบคอบสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องลอดหลวงเป็นเครื่องหลอกเป็นข่าศิกต่อเราได้เมื่อปัญญาได้ทุจรนานรอบครอบในสิ่งเหล่านี้ก็เลยสิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือไปหมด เราใช้ปัญญาทําไมใช้สังขารเราจะอะไรมาใช้ต้องใช้สังขารคือคํามกลุ้มคลั่งคือคํามไตรตรองแต่เป็นทางขนาดชอเรียกว่าเป็นปัญญาผัดคือทางถอทางถอนท่านเรียกว่าทางปัญญาทางใดที่เป็นไปทุก ค, ความผูกมัดตัวเองนั่นท่านเรียกว่าทางปัทาที่เนไุกคามผูตัวรื่องผูกมัดตัวเองหรือสังขารที่กลุ้มซึ้งทาโทษเกิดโทษใจตัวเองแต่เป็นปัญญาที่จะน้อย เมื่อใช้ปัญญามากไปเท่าไร่เรื่องของสมาธิหรือเรื่องของใจจะมีความละเอียดแต่เรื่องสมาธิก็ต้องถึงเวลาพักกอต้องพักจะพักให้ช่วงเวลาเล็กน้อยก็ตามก็ต้องพักให้เพอเป็นความจับใจเราเอาความสงบเพื่อเป็นต้นซึ่งและมีกาลังในการพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อถึงการเวลาที่สมาธิถ อ, อนขึ้นมาแล้วเรื่องปัญญาต้องสวมเข้าทัน พุทานในหน้าที่ของตนจนกว่าจะเกิดครามออนเคลียภายในตนเองเพราะการทํางานนี้ต้องอ่อนเพียดูจิตใจคิดค้คนดูเหตุผลต่างๆก็มีการเคลื่อนการสร้างขอพักเกือนจิตสมาธิผู้ดาเนินตอนไปชนนี้เรียกว่าดําเนินไปด้วยความสม่ำเสมอไม่ตําหนิทั้งสมาธิทั้งปัญญาและไม่กมทั้งสมาธิและปัญญาโดยท่าเดียวเพราะความรู้ดอ ถึงการที่จะคมสมาธิหรือสมาธิเป็นสัมพันธ์ก็ต้องถีถึงเวลาที่จะถึอปัญญาเป็นสัมพันธ์ก็ต้องถีหรือต่างเว ล, มมลาทันโดยไม่คมสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไปและไม่ตาหนิส่วนใดส่วนหนึ่งจนเกินไปนี่คือว่าการดาเนินตนโดยความสม่ำเสมอสมาธิก็ดําเนินไปด้วยความสะดวกปัญญาก็พิจารณาไปด้วยความราบรืนทั้งสมาธิและปัญญาก็ย่อมเป็นเคลื่อนหมุนกันไปเพื่อความบุจพ้นเป็นลําับลำดับ สิ่งใดที่มีความออกเกี่ยวข้องกับใจใ ห, ทำทำให้ทำความรุ่มหลงให้ทําความเดือดร้อนปัญญาต่อพิจนาสอดแทรกเขา้าไปจนสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นเที่ยนเป็นน้ำภายในกิจังออกได้เป็นระยะระยะและจนสามารถขอดถอนได้โดยที่ิดไม่มีสิ่งใดแน่ที่สุดเรื่องของจิตที่ฝัญญาพิไว้ภายในตัวโดยเราที่ไม่เคยสามารถจะรู้ไว้ตั้งแต่ก่อนประาท แต่อำนาจของปัญญาที่ได้อบรมอยู่ตลอดเวลาย่อมสามารถจะรู้ทั่วถึงในสิ่งที่เคยิดจ ง, งนิรภับมาตั้งแต่ทั้ง่อนและทําให้เปิดเผยขึ้นได้ในขณะนั้นโดยไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกต่อใจโดยท่านได้ดีสังปัดมีทั้งเรื่อง่อปัญญาได้ขอนถอนหมดเดยที่เคยไม่มีอะไรเหลือเรื่องของความทุกข์ความลำบากที่เคยทับผมจิตใจมาไม่ว่ามากหรือน้อยไม่ว่านานัเท่าไหร่เป็นพันว่ายุติกันลงในขณะนั้น โดยซึ่งตัวไม่มีอะไรเลยนะคำภาพทุกภาในใจไม่มีจิ่งใดปรากฏแม้จะมีเหลืออยู่ก็ยังจะส่วนที่บางสักขังคือร่างกายอันนี้ซึ่งเป็นของดำเป็นแดดออกมาก็รู้ว่าร้อนหนาวก็รู้หนาวเย็นก็รู้เย็นทุกก็ต้องรู้ว่าทุกสุก็ต้องรู้ว่าสุกุกนี่เป็นเมตนาส่วนร่างกายอันนี้ถ้าผากขันยังไม่แตกเสียเมืไรซึ่งเหล่านี้ยังจะมีอยู่ตลอดไป พระกองลูกมีเดชนาก็ต้องมีทัญญาทั้งฐานยินยานก็ต้องมีแต่ไม่มีสิ่งใดจะสามารถตึงท่าเขาถึงใจให้รับความโทรมามเดือดร้อเพราะไม่ศีถษะตายเป็นตนเดทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนทั้งฐารเป็นตนยินยานเป็นตนรวมแล้วมาขันห้าป็นเลยไม่จ้ากดภายในใจเพราะใจไม่ใช่ขันห้าขันห้าไม่ใช่ใจเราก็มาใช่ขันทั้งห้านี้ขันทั้งห้านี้ก็ไม่ใช่เราเพราะแกกันได้ด้วยธรรญาดเด็ดขาดนั่น แล้วจะอยู่ด้วยกันก็รู้เร nella, the nothing, ื répondre. ่องของกันและรู้จักวิธีปฏิบัติต่อกันสึ่งใดเกิดขึ้นมาสิ่งใดดับไปก็รู้แต่ไม่เข้าไปยึดเป็นกรรมติรู้ตามเป็นติณหรือเนียดักยะถาภูตังปิญญาณพัทสละคือรู้เห็นตามเป็นติงทั้งส่วนอยาเส่วนกลางส่วนเนี่ยทั้งสิ่งที่ตั้งขึ้นตั้งอยู่และดับไปธรรมชาติที่รู้ไม่ปรากฏว่าตั้งขึ้นและดับไปนี่คือผู้รู้ที่ตายติณคือหนักธรรเมื่อปราจิตบาทให้ถึงส่วนนั้นอย่างเงี่ จะต้องเป็นความละเอียดขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติโดยไม่นิยมมาก็นผู้ผู้ายข้อสําคัญคือ้าปฏิบัติภาพรวบรมเรื่องความเพียนเป็นตุเจอดอกสําคัญที่จะไขาทางให้เราเดินได้โดยดสะดวกจนสามารถรู้เรื่องความจริงทั้งหมดไม่ว่าภายนอกภายในเพราะภายนอกกับภายในเป็นความจริงเสมอกันเนื่องจากว่ า, าจัจรธรรมมีทั้งภายนอกภายในและเป็นของจริงเสเ้นเดียวกัน เมื่อปัญญาได้อย่างทราบทั้งภายนอกภายในแล้วเราจะสงสัยที่ตรงไหนหาที่สงสัยไม่ได้นี่แหลท่านเรียกแบบโลกะเวภูที่เป็นคุญสมบัติของสาวกจะไม่รู้แจ้งแทงตลอดถึงกับต้งนับเป็หินแม่ทายลุ้นสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพราพเจ้าพระตาแต่รู้ในสิ่งที่มีความเสมอภาพรู้เป็นเช่นเดียวกันเช่นอนิจจงโลกะธาตุนี้เป็นพระไตรจังทั้งอัานทั้งเรา ทั้งสิ่งที่มีงิญญกางไม่มีดวงวิญญาณพร้อมเหมือนกันบมดนื้อปัสสาวะไอ้ชาติทุกทั้งาตากอดเชนเดียวกันภาพอย่างนี้ทั้งแยกวัตทรางจากความจีตแล้ก็ไม่ไปมองเห็นด้วยตาได้ยินไม่เหก็ตามก็ทราบเพื่อปัญญามาทิมทั้งหลายต้องเป็นเหมือนกังนิเมื่อตั้งสิ่ต้องแตกกระจายมือถกอเท่าทั้นจะตั้งอยู่ก็ตั้งเพื่อความแตกสละจายก็ตุมกันงข้าวก็เพือจะเลือดทัน เป็นหลักของปัญญาที่รทาราบขั้นทานเรียกวัโรกรีฑูซึ่งเป็นคุณสมบัติของสาวจะต้องรู้เลยนะเนี่ยเสกนะดูที่ไหนก็สามาัยร่างกายจะตั้งดูก็ตั้งดูจะแตกไปวันไหนก็ไม่ต้องไปที่บัญชีกันเท่าไหรถึงการจะแตกแล้วจะบังคับไว้ก็ไม่ได้ถึงเวลาจะอยู่แล้วจะบังคับให้ตายมันก็ไม่ตายก็ไม่ด้ถึงการเว่าเขาก็เป็นไปตาเมเนี่ยขอแต่ปัญญาของเราให้รทราบล่วงหน้าไว้เป็นหลักสำคัญ ในหลักสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าให้รู้เรื่องตัวการคือใจผูกครองอยู่ลำบัดนี้จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความรับผิดชอบตอบภพอบชาตต่อการกับทำทั้งตนทั้งในภพนี้และภพหน้ามีเป็นหนักสําคัญลังท่านทั้งหลายที่เดือดดาลมาอบรมคุณงามความดีสระทั้งไในรัมในนาสระทั้งทับสมบัติสระทั้งชีวิตจิตใจละเอียดเนื้อทุกอยา่างคือแบบองสมเด็กกาจพระปุณณภาระต้องต้ง้งกระทและประสงค์ก็เรื่องมาจากความรู้สึกเหล่านี้ ตามหลักธรรมของมังพุดพจ้านั้นอเองไม่เช่นนั้นใครจะมากล้าเป็นก้าตาก้าบสลั ก, กรรเนื้อสลักตัวกราบทำทุกข์นามาอยุดคนนี้ได้จึงขอขอบคุณอนุโมทนาบันาทา่ทานทั้งหลายโดยควหนาค่ะแนวนสารอย่างคำนี้ก็เห็นมาตง้งควรเจอแล้วจึงขอที่ตดนาเป็นอา